รอยตีนนี่มันย่ำไว้ทำให้ชายันถึงกับกระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นที่สุดเพราะคนร่างใหญ่อย่างเขาลงไปทดลองนั่งขัดสมาธิได้อย่างผอดิบพ ด, ดีนี่เห็นจะใหญ่กว่าไอ้แหว่งมากทีเดียวอดีตนายทหารปืนใหญ่ครางออกมาก็สองเท้าไอ้แหวง่งลงไอ้ตัวนี้เท้าเดียวเท่านั้นละครับเป็นบุญตาอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรามีโอกาสเห็นเดียวหรือ เชฐดถามช้างโบราณใหญ่โตผิดปกติแบบนี้มันจะอยู่ตามลำพังตัวเดียวครับและส่วนมากก็เห็นกันแค่รอยเท้าเท่านั้นไม่มีใครรายงานว่าเคยเผชิญหรือพบเห็นตัวจริงของมันเลยแต่สำหรับพวกเราเห็นจะเจ อ, เจอมันแน่ไม่ช้าก็เร็ว ต่างคนต่างไปดีกว่าอย่าพกพานกันเลยดารินภาวนาแผ่วเบาส่งกระแสจิตแผ่เมตตาหล่อนไม่คิดว่าสัตว์ป่าประเภทใช้จะเป็นศัตรูร้ายกาจอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับมหาภัยพิบัติที่จู่โจมราวีมาในระยะหลังๆและตั้งใจไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นสุดขีดในด้านป้องกันชีวิตตนเองหรือคณะพวกแล้ว ห ล, หลังจะไม่ทำอันตรายมันเด็ดขาดมารียอีกคนหนึ่งที่เข้าไปวัดรอยนั้นอย่างสนใจยิ่งแล้วเบปะปากไม่พูดคำใดนอกจากสายสีสระช้าๆอย่างไรก็ตามคณะทั้งหมดไม่มีใครตื่นเต้นกับรอยช้างอันใหญ่โตนั้นจนเกินไปนักเพราะความเคยชินกับกระดาของสัตว์อันผิดปกติในป่าลงสำรวจนี้เสียแล้ว ช้างรอยตีนวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้3ฟุตตัวนี้ไม่มีความหมายอะไรสักนิดเมื่อต่างหวนคิดไปถึงเจ้างูยากตึกดำบันขนาดเท่ารถด่วนทั้งขบวนหรือตะขาบตัวเท่าสุงเพราะถึงอย่างไรสัตว์ประเภทช้างทึ่เชาวโลกทั้งหลายถือกันว่าเป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในพื้นพิพอแผงนี้ความจริงมันได้ปรากฏออกมากับสายตาของคณะเดินป่าชุดนี้แล้วว่าความเข้าใจชนิดนั้นผินดถนะ มีน้ำดื่มไว้สำรองแล้วสำหรับสองวันแต่ปัญหาก็ผุดขึ้นกลางใจของทุกคนขณะที่รอนแรมบากบั่นกันขึ้นไปอีกว่าวันนี้จะได้อาหารจากไหนมาประทังชีพถ้าไม่ใช่สเสบียงกระป๋องซึ่งเหลืออยู่ยอบแยบเต็มทีถ้าว่ามาติประจำใจมีกันอยู่แล้วว่าตายเอาดาบหน้าและบัด น, นี้ในด้านความรู้สึกนึกคิดไม่มีใครหวังอะไรอีกแล้วทั้งสิ้นไม่หวังแม้แต่ว่าชีวิตตนจะรอด ชา ย, ยันและเช่ถาผ่านสนามรบเกาหลีมาแล้วกลางสมรภูมิอันยากแค้นกันดานตุกอยู่ในที่ล้อมท่ามกลางสนปืนใหญ่และจรวดที่ตกระเบิดอยู่รอบตัวหิวโหวยเพราะขาดสเสบียงเหน็ดเหนื่อยสิ้นแรงเพราะรบหนักหนาวสั่นกอดปืนจมอยู่ในบังเกอร์อันท่วมทนไปด้วยหิมะ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 นั่นคือภัยที่เกิดขึ้นจากการพ่ายตัวเองขณะในขนดขณะหนึ่งที่หมดความเหนียวรั้งจิตใจอาจจะทำให้คุ้มคลั่งเสียสติไปได้ในทันทีจากสิ่งแวดล้อมรอบด้าน ผา น, นำทางที่ัคณะของเขาได้มอบความไว้วางใจฝากชีวิตไว้ในการเดินป่าท้ามัจุราชในครั้งนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังเขาต่อสู้กับภัยเฉพาะหน้าที่จะบัญทอนกําลังและฆ่าชีวิตของทุกคนไปคือความหิวโหวยด้วยการส่องแสวงหาอาหารไปพลางเผือกมันกลอยและพืชบางชนิดพอจะใช้เป็นอาหารได้ถูกเขาสั่งให้พวกผานพื้นเมืองเก็บตุนไว้ในรายทางสุดแต่จะหาได้ต่อมาที่ริมทุง่งหญ้าคาปีเนเดินอีกแห่งหนึ่งเขาก็ ให้เก็บลูกเดือยที่ขึ้นอยู่เป็นดงไม่เลือกอาหารเสอย่างเดียวไม่ต้องกลัวอดตายในป่าเขาบอกความกับยิ้มให้อย่างปลุกปลอบใจทุกคนยิ้มชนิดนั้นช่างให้ทําให้ทุกคนอบอุ่นเชื่อมั่นและมีกําลังใจขึ้นความเหน็ดเหนื่อยกำหนักทําให้ทั้งหมดเคล่งขืนพูดกันน้อยลงยกเว้นจําเป็นจริงๆ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 ผานเข้าใต้ช่องเขาชะโงกตะวันอันแรงก้าแฝงเข้ากรีดแม่เบื้องหน้าเป็นป่าเต่งใบแห้งแดงราวกับย้อมไว้ด้วยครั่งพื้นดินจับหนาไปด้วยฝุ่นบรรดลจอมพานผู้เดินนําอยู่เบื้องหน้าก็มีอาการผิดสังเกตไปเขาหยุดชงะงักก้มก้มเงยเงยอยู่กับพื้นตอนหนึง่งเชิดขาเข้าไปถึงคนแรกแล้วก็เห็นทันทีโดยไม่จําเป็นต้องชี้บอกจากผานใหญ่รอยเท้าของมนุษย์คู่หนึง่งเหยียบประทับไว้บนพื้นฝุ่นนั้นเห็นได้อย่างถนัด เป็นรอยที่เดินไปในทิศทางเดียวกับที่คณะทั้งหมดบ่ายหน้าไปช่วงของการก้าวหน้าจากรอยหนึ่งไปสู่อีกรอยหนึ่งห่างกันประมาณ3ฟุตเป็นรอยเดินอย่างถ่วงน้ำหนักตัวได้สม่าเสมอและเดินโดยปกติรอยนั้นปรากฏให้เห็นอยู่เป็นช่วงสั้นๆจากนั้นก็คืนหายไปบนพื้นใบไม้แห้งที่หล่นลงมาปกคลุมทึบ ระหว่างที่เชิด่ายยืนจ้องรับพินผะจากที่เดิมออกเดินค้นหาติดตามอย่างรวดเร็วห่างออกไปประมาณ20เมตรสีหน้าของเขามงค์พยายามเดินอ้อมแยกไปทางด้านอื่นๆในรัศมีรอบด้านแล้วย้อนกลับมาอย่างที่เดิมซึ่งบัด น, นี้ทุกคนมายืนมุงรวมกลุ่มกันอยู่เจ้าแง่สายของเราเดินมาทางนี้เองกะถูกไหมผ่านมานานสักเท่าไหร่แล้วชายยันเหงื่อหน้าขึ้นถามแล้วต่างเห็นสีหน้าของรับพินผิดแปลกไป ช่วยกันพิจารณาให้ดีสิครับว่านั่นมันเป็นรอยตีนของแงาทายหรือเปล่าคำพูดนั้นเองทำให้ทั้งหมดสะดุ้งใจก้มลงจ้องสำรวจอีกครั้งเชื่ถผู้สงสัยอยู่ก่อนแล้วแยกเขี้ยวหลีตายิบหลีลงปาดแขนเสื้อขึ้นป้ายเหนือที่คางเรื่องจะให้จำรอยตีนกันนี่มันยากเหลือเกินเพราะไม่คุ้นตาหรือวัดขนาดเอาไว้แต่ผมกล้าพนันได้ว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของรอยตีนนี่ไม่ควรจะเป็นแง่าย น้อยก็ว่าไม่ใช่ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษยวิทยาเสริมมาโดยเร็วน้ำเสียงตื่นเต้นแงซายไม่ควรมีเท้าที่ใหญ่ถึงขนาดนี้ถึงเขาจะรูปร่างสูงใหญ่สักขนาดไหนก็ตามเท้าก็ไม่ควรจะกว้างตั้ง6นิ้วและยาวถึง1ฟุตรอยตีนประทับไว้เต็มพื้นเลยไม่มีรอยเว้าวเลยราวกับใครเอาเท้าที่หลอดด้วยพลาสเตอร์มากดไว้มันผิดปกติไปมากทีเดียวนิ้วทุกนิ้วมีช่วงยาวเสมอกันหมด แล้วงั้นมันเป็นรอยตีนใข่ชา ย, ยันร้องลั่นออกมาต่างยืนมองหน้ากันเงียบไปชั่วขณะพวกผ่านพื้นเมืองโปรงหาโปงชั่วครู่พลูกันเข้ามาพอเห็นเข้าก็เลิกลักกันไปหมดไอ้แง่ทรายทํำไมตีนโตอย่างนี้บุญคําร้องอุทานลืมตากว้างแง่ทรายนะ่ะตีนไม่โตหรอกที่มันโตก็เพราะมันไม่ใช่แง่ทรายชา ย, ยันตอบบุญคําสุดตัวลงจ้องพิจารณาโดยใกล้อย่างลุกลนขยินและสางตาผู้เป็น เอตทักคะในการอ่านรอยก็ก้มหัวแทบจะชนกันเองภายหลังจากแวดฝุ่นและใบไม้ข้างเคียงตลอดจนสำรวจลักษณะอยู่ครู่ส่างปาก็พูดลุกลนไม่นานนี้เองนายมันผ่านไปล่วงหน้าเราไม่ถึงชั่วโมงว่าแล้วเจ้าตองสู่ก็ออกคารนจับรอยตีนที่บายหน้าไปให้เห็นช่วงสั้นๆนั้นเรากับมาบัดเาาสูตรกลิ่น ขยีนยืนยันเห็นด้วยมาอีกคนน้ําหนักตัวอยู่ระหว่าง7 0็ดถึงเจกิโลก ร, รมัมผานใหญ่สรุปการอ่านรอยนั้นอย่างแม่นยํามีใครจําได้บ้างไหมขนาดเท้าของศพตายซากนั่นเป็นขนาดเดียวกับรอยตีนนี้หรือเปล่าเชษฐาถามโดยเร็วทุกคนนิ่งแลตากันไปมาอึดใจรับผินก็อ้อมแอมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนที่ลากมันขึ้นมาจากแอ่งนะ้ําเมื่อวันซืนก็ไม่ทันสังเกตรู้สึกว่าคุณหญิงจะตรวจมันละเอียดกว่าพวกเราทุกคนเป็นความจริงตามที่จอมผานพูด นักมนุษยวิทยาสาวเป็นผู้ที่เข้าตรวจซากศพเก่าแก่เป็นท่อนหินนั้นด้วยความพิจารณาที่ถี่ถ้วนไปกว่าทุกคนเพราะมันเป็นหน้าที่ของหล่อนโดยตรงดารินมีสีหน้าป้านยากที่สุดเมื่อพักพวกมองขอความเห็นมาเป็นตาเดียวริ้นฝีปากของหล่อนเยเออขมุกขมิบสันหน้าไปมาแล้วก็หลุดออกมาว่าฉันฉันไม่กล้าลงความเห็นเพราะไม่ได้สังเกตในข้อนั้นเหมือนกันบอกได้เพียงอย่างเดียวว่าขนาดน้ำหนักตัวควรจะใกล้เคียงกัน พบโดยบังเอิญหรือได้ร่องรอยอะไรมาก่อนแล้วตามมาพบเข้าชัยยันถามบ้างจ้องหน้าเขาควรจะเรียกว่าบังเอิญมากกว่าผมบ่ายหน้ามาทางนี้ก็โดยตามลักษณะนำทางของไอ้พวกกองกอยที่บอกไว้จึงพบเข้าก็แปลว่ามันเดินอยู่ในทิศทางเดียวกับเราโดยนำอยู่เบื้องหน้าอย่างน้อยก็อาจจะระยะหนึ่งครับ ไม่ทันจะขาดเสียงเขาก็โบกมือเป็นสัญญาณให้ออกเดินต่อโดยเร็วเร่งฝีเท้าขึ้นอีกสิ่งแปลกตอมที่ปรากฏแทรกขึ้นมาทำให้ทั้งหมดตื่นตัวจากความกระปกกระเป้ยออีกครั้งจำไว้อย่างเดียวว่พินอย่าสนใจมุ่งตามรอยตีนลึกลับนี่เป็นหลักเราจะยึดหลักของแงาทรายหรือผีกองกอยที่ทำไว้ให้เห็นเท่านั้นหัวหน้าคณะสั่งจอมผ่านรับคาสายตาของเขากาดไปรอบด้านในขณะที่เดินไปอย่างเร่งรุด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 ทำไมเหรอคะพี่ใหญ่ทําไมถึงสั่งเขาเช่นนั้นหล่อนถามอย่างสงสัยจุดหมายของเราคือตามแง้ทรายไม่ใช่ตามรอยประลาดนั่นขืนไปมัวใส่ใจกับมันประเดี๋ยวเควออกนอกเส้นทางไปไหนก็ไม่รู้มันอาจจะเจตนานล่อเราให้ไปทางอื่นก็ได้แล้วเขาก็หันไปสั่งชา ย, ยันกับมาเรียให้ลดฝีเท้าลงไปคุ้มกันอยู่ท้ายขบวนอย่างรอบคอบทั้งสองเข้าใจความหมายโดยไม่จําเป็นต้องซักไซส์หยุดยืนริมทางรอคอยให้ลูกหากทั้ง3ามคู่เดินผ่านล่วงหน้าไปก่อนแล้วปิดท้ายขบวนคุณเดินหน้า ผมจะอยู่ร่างท้ายเองชา ย, ยันบอกเพื่อนสาวต่างผิวพร้อมกับยิ้มให้มาเรียยิ้มตอบบทไรเฟริลจากการสไพร์ไหลขึ้นมาถือไว้ในมือทั้งสองในท่าเตรียมพร้อมและชา ย, ยันก็บอกตอนเองว่าเพิ่งจะสังเกตเห็นเดียวนี้เองวิธีสไพร์ไรเฟริลของมาเรียผิดไปจากพักพวกทุกคนแม้กระทั่งรับพินเองคือหล่อนจะสไพร์โดยวิธีเอาปากกระบอกลงดินให้ฉันอยู่ท้ายดีกว่าถ้าคุณยอมรับความจริงว่าฉันหูตาไวกว่าคุณ ผมไม่เก่งไปกว่าคุณหรอกแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้รับเกียรติในความเป็นลูกผู้ชายบ้างเกียรติลมๆมแรงๆชนิดนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมในเมืองไม่ใช่ในป่าลึกลับท่ามกลางภั ย, ยันตรายร้ายกาศอย่างนี้เราเลือกเอาวิธีปลอดภัยที่สุดไว้ดีกว่าหลอนว่าเอามือปาดหลังเขาอย่างสนิท ผักให้เดินล่วงหน้าแต่ชายยันรีรอเดินชะลอมาเคียงข้างกันสบตากันอีกครั้งวันนี้มาเรียกแก่้งว่าเมื่อวานมากตรงข้ามกับดารินซึ่งละหวอยอ่อนเพี้ยลงไปลักษณะของหล่อนไม่เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพียอะไรนะักกำลังวังชายอยู่ตัวถ้างั้นเราเดินไปใกล้ๆกันก็นแล้วกันผมทิ้งคุณไว้ข้างหลังไม่ได้ ตกลงชยันหล่อนบอกยิ้มยิ้มปาดท่อนแขนเช็ดเหงื่อบนใบหน้านักผจญภัยหนุ่มชาวพระนครชำเรืองจ้องสาวผมทองที่เดินเคียงข้างไม่วางตาอารมณ์ชุ่มชื่นอันเล่นลับก็ก่องเงาขึ้นต้านกับความแห้งผากแร้นแค้นของทุกทรมานเขาบอกกับตนเองว่าความเหนื่อยอาจลดน้อยลงในกรณีที่มีโอกาสได้เคียงคู่ได้คู่สนทนาไปกับหล่อนตามลําพังโดยไม่ต้องห่วงว่าดาริงหรือเชิดาจะจับตามองอยู่เม่ยือื้อ คุณเป็นคนสวยมากนะดรฮอฟมันโชคดีที่ได้คุณเป็นภรรยาแต่ก็โชคร้ายที่มีอันเป็นไปที่จะต้องจากภรรยารูปงามไปซะก่อนตาสีผักตบคู่นั้นชายดูเขาปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากปามันเปี่ยวกันดานและว้าเหวมากจนกระทั่งทําให้คุณเห็นฉันเป็นคนสวยไปผมพูดจากใจจริงรู้จักความรู้สึกที่เริ่มจะค่อยๆเห็นในความจริงข้อนี้ไม่ใช่พูดเพราะความขาดแคลนหรือความหน้ามืดฉันสวยในด้านไหนกันนะเปิดเผยตรงไปตรงมากล้า ทอรหดมีฝีมือแล้วก็ใบหน้าและสวดทรงมาเรียเบิกตากว้างนิดหนึ่งแต่แข้งใบหน้าพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นขอบคุณคุณทำให้ฉันมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินเล่นอยู่ในอุทยานอันรื่นรมสมัยอายุสิบหตอนเริ่มจะมีเพื่อนชายเป็นคนแรกแต่ฉันว่าสเตเกลโชคายทุกด้านในการได้ฉันเป็นภรรยาทาไมหรอล้ตาของหลนสลดลงวูบหนึ่งขณะที่ทอดไปเบื้องหน้า ฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องเอาชีวิตมาทิ้งในภายลึกนี่ถ้าเขาแต่งงานกับผู้หญิงอื่นเขาคงจะถูกภรรยาเหนียวรั้งไว้ให้ใช้ชีวิตร่วมสุขกันตามปกติของผู้ครองเรือนทั้งหลายคงไม่ปล่อยให้เขามาบุกบั่นตะเวนดงหรือเช่นนี้แต่นี่เขามาแต่งงานกับฉันซึ่งฉันไม่เคยขัดขวางเขาเลยในเรื่องนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนเสีย อ, อีกด้วยเพราะนิสัยนิยมภัยของฉันมันตรงกับเขาอยู่แล้ว ไม่ควรจะลงโทษตัวเองเช่นนั้นคนเราถ้าลงถึงที่ต่อให้เขานอนกอดคุณอยู่บนเตียงเขาก็ต้องตายอยู่วันยังข้ามหนีไม่พ้นคุณเชื่อว่าผมลิขิดมีจริงเหรอ มันเป็นคติทางตะวันออกและผมก็เป็นคนตะวันออกเราเชื่อกันว่าแต่ละชีวิตของมนุษย์มีเส้นทางกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีสิ่งใดมาดัดแปลงแก้ไขเสียได้โดยมีกรรมเป็นตัวบรรดาลแต่เราไม่สามารถจะรู้ได้เท่านั้นว่ากรรมของเรามีอยู่เช่นไรและจะส่งผลให้วิถีชีวิตของเราดำเนินไปในทำนองไหนหลอนหันมาจ้องหน้าเขาอีกครั้งด้วยแววตาทึ่งคุณเป็นนักปรัชญาด้วยเหรอผมเป็นชาวพุทธ และพุทธศาสนาก็คือปัจชญาหรือตักกศาสตร์ที่ว่าด้วยความจริงแบบกัมปั้นทุกดินนั่นเองคุณแต่งงานมานานแล้วเท่าไหร่เมยสมปีชายันมองไปที่สวดสรงของหล่อนโดยไม่ตั้งใจคุณคงไม่ใช่ภรรยาคนแรกของเขามั้งคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าวัายอย่างสเตเกลคงไม่แต่งงานกับฉันเป็นครั้งแรกเขาสมรสมาแล้วสามครั้งอย่าทั้งสามครั้งครั้งที่4ี่คือฉันเราเข้าโบสถ์กันภายหลังที่จากเขาหย่าจากภรรยาคนหลังสุดเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วคุณล่ะ หมายถึงอะไรรักเดียวรักแรกงั้นเหรอมาเรียนหัวเลาะเสียงใสกังวานในตาปรากฏแสงแวววาวฉันมีคู่รักมาหลายคนแต่พ่อหนุ่มหัวใสเหล่านั้นหนักแน่นมั่นคงสู้คนสูงอายุไม่ได้ฉันเลือกสเตเกลเป็นคู่สมรสเป็นคนแรกชีวิตแต่งงานอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับจิตใจที่จะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่3ปีชา ย, ยันพึนพ ร, รม yes w h ไม่มีลูกเลยล่ะ เรากะกันไม่ว่าเราจะมีลูกด้วยกันในปีที่4หมายถึงว่าสเตเกลยุติงานค้นคว้าลุกป่าฝ่าดงของเขาแล้วและเรามีชีวิตอยู่ร่วมกันแบบชาวเมืองสีทีแต่วันเวลานั้นหมดโอกาสซะแล้วทำยังไงนะถึงได้ห้ามผลผลิตของธรรมชาติไว้ได้หลุดปากถามออกไปเช่นนั้นแล้วชา ย, ยันก็รู้สึกว่าตนเองถามหน่งโง่เงาที่สุด ภรรยาสาวสวยของนักสำรวจผู้ล่วงลับหันมาจ้องหน้าเขาด้วยสายตาชงนและคนครบขันน้อยๆอาการมองมาเช่นนั้นทำให้ชัยยันกระดาษมืนหลบไปอ้อมแอมขออภัยผมก็ไม่ทราบตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงทำอะไรง่ๆอย่างนี้ก่อนกลับหัวเราะเบาๆ ถ้าฉันพร้อมที่จะมีลูกกับเขาได้รับรองว่าเพียงสัปดาห์แรกเท่านั้นมันจะเป็นผลสเตเกลยังแข็งแรงมากเขามีลูกกับภรรยาเก่าๆรวมแล้วหลายคนแต่อย่างที่บอกแล้วความจําเป็นทําให้ฉันจะต้องระวังไว้ก่อนเราเริ่มมีลูกเมื่อไหร่เราจะไม่ใช้ชีวิตกรากำรำผจนภัยกันอย่างนี้ไม่ได้บางทีคุณอาจอยากศึกษาเกี่ยวกับเบิร์ดคอนโทรลกระมังคุณไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยหรือ ผมจะไม่สงสัยอะไรเลยถ้าคุณอยู่ในเมืองแต่ชีวิตส่วนมากระยะหลังนี้คุณอยู่กับสามีในป่าทุกครั้งก่อนที่จะออกป่าหรือถิ่นธุรกันดานนารีแพทย์จะต้องมีการจัดการให้ชั้นเสมอมีห่วงวงแหวนชนิดหนึง่งสำหรับวัตถุประสงค์ชนิดนี้โดยเฉพาะเชื่อได้แน่นอนเท่าๆกับวิธีอันปลอดภยัยวิธีอื่นๆลำบากเพียงแค่เฉพาะเวลาใส่เท่านั้นแต่สะดวกที่ไม่ต้องมาคอยกังวลถึงมันอีกตลอดระยะเวลาอันยาวนานเป็นแรมเดือนห่วงวงแหวน ถามหมอดารินถ้าคุณยังไม่เข้าใจถึงไม่เข้าใจก็เห็นจะไม่ถามหรอกเป็นอันว่าเข้าใจละ่ะว่าคุณมีวิธีต้องกันที่ดีทีแรกยังนึกเป็นห่วงแทนว่าคุณใช้ชีวิตร่วมกับสามีในป่านา น, านๆบางทีก็หากําหนดไม่ได้ว่าจะได้กลับเข้าเขตเจริญเมื่อใดระหว่างนี้ถ้าเกิดตั้งครันขึ้นจะทํายังไงพนันก็ได้ว่าไม่มีทางชา ย, ยันเอียงหน้าเข้ามากระซิบแน่หรอเอาอะไรเป็นเดิมพันละ่ะหล่อนกระซิบย้อนมาตาเต็มไปด้วยประกายท้าทาย ชัยยันเสียวาบเข้าไปถึงคั้งหัวใจเหมือนใครเอากระชายมาเหลาให้ปลายแหลมและเข้าไปในหูหนาที่ซีดคร่เพราะความเหนื่อยของเขาแดงเข้มขึ้นมาทำไมถึงสะพายปืนเอาปากกระบอกลงดินเขาเปลี่ยนเรื่องแก้ความอลรมาณดานใจของตนเองคุณเป็นทหารมาแล้วไม่น่าจะสงสัยเลยว่าทำไมฉันถึงชอบสะพายปืนแบบนี้นั่นมันเป็นพวกคาบายหรือซับแมชชีนกันที่มีลากล้องสั้นไม่ใช่ไรเฟิล ก็โดยในเดียวกันนั่นแหละการเอาลำกล้องลงช่วยให้เราตวัดปืนขึ้นมาอยู่ในท่าเตรียมยิงได้รวดเร็วกว่าสะพายเอาลำกล้องขึ้นบนสามารถยิงได้ในทันทีโดยไม่ต้องเอาสายสะพายออกให้พ้นไหลถ้าจําเป็นเพียงแต่ ต, ะตะวัดปืนขึ้นมาอยู่ในระดับเอวเท่านั้นแต่การสะพายเอาลำกล้องขึ้นอย่างน้อยคุณก็ต้องปลดปืนออกจากไหลก่อนมันทําให้เสียเวลาวันเดอร์ฟูลรู้สึกว่าคุณจะถนัดในเรื่องของรูปผู้ชายใจฉกันเฉพาะเดียวนะ สิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กฝึกสอนฉันมาเช่นนั้นเคยคิดอยากกลับมาเป็นเพศผู้ชายบ้างไหมบางขณะบางเวลาฉันทําหน้าที่เป็นแมนเหมือนกันยิ้มของหล่อนมีความหมายให้ต้องคิดอีกทีขณะที่มีความจําเป็นจะต้องปกป้องคุ้มครองผู้อื่นกระมับบงโน no, หน้าที่การปกป้องคุ้มครองมันไม่จํากัดว่าจะเป็นของผู้ชายโดยเฉพาะบางขณะผู้หญิงก็ต้องทําหน้าที่นี้อยู่แล้วเหมือนกันแล้วงั้นยังไงหนุ่มไทยโง่อีก ในคอนแวน์หรือในหอภักหญิงของมหาวิทยาลัยสิฉันเลือกบทบาทเป็นผู้ชายเสมอเพื่อนๆก็ถนัดที่จะเกณฑ์ให้ฉันต้องทำอย่างนั้นซะด้วยว้าว ชายันใจวิวอีกครั้งคิดไปถึงราตรีสงัดกำดัดดึกในคืนหนึ่งภายใต้โป่งคุมของแบกเก็ตผืนเดียวขณะเมื่อพักพวกอื่นๆพากันหลับกันไปหมดแล้วเหลือไว้แต่เขากับหล่อนผู้นอนเคียงกันอยู่ตามลําพังเหตุการณ์ในคืนนั้นจนกระทั่งบัดนี้เขาก็อยากจะคิดว่ามันความฝันอันเกิดขึ้นจากอํานาจกดดันทางธรรมชาติคุณพระช่วยนี่มันของจริงซะแล้วตกใจเหรอประหลาดใจและตื่นเต้นคุณนิยมเลสซิเบียนนี้ซซ์หมอ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 ชายันกระเดือกน้ำลายอันแห้งเหนียวลงคออย่างยากเย็นตื่ความเหน็ดเหนื่อยและวิตกการที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้ไปชั่วขณะสัมภาษณ์ต่อคุณฝักใฝ่อยู่ใดด้านไหนโฮโมหรือเฮเทโรมาเรียหัวเราะจนภูเขาไหวกระเพื่อมเป็นละลอกมองดูเขาอย่างขบขันที่สุดไม่น่าสงสัยอะไรนีิถ้าฉันหมกมุ่นอยู่กับอย่างแรกจนแก้ไม่หลุดฉันก็คงไม่แต่งงานคุณคิดว่าฉันจะรักประเภทปิดไปไว้ยังไงขอถามอีกสักนิดเถอะ มากกว่านิดก็ได้สางตาไอ้ธาตุต่องสู่ของคุณคนนั้นไ้ว้จริงหงอที่ว่ามันพิการในทางเพศแม่มสาวผู้เลือดร้อนระอุอยู่ยิ้มอมยิ้มเป็นในๆฉันบอกน้อยและน้อยก็คงบอกคุณอีกต่อหนึ่งนะสิใช่ผมอยากรู้ความจริงจะรู้ไปทำไมดูเหมือนหล่อนก็รู้สึกสนุกในการที่จะยั่วอารมณ์เพื่อดูอาการของเขาก็อยากรู้ว่าสางตาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณบ้างนอกเหนือนไปจากการเป็นธาตุรับใช้ ภายหลังจากให้สูบกัญชาสักสองสามบ้อ ง, องเขาเป็นนักนวดที่ดีคุณจะลองดูก็ได้คุณตอบไม่ตรงคำถามผมถามว่ายังไงนะมันที่การทางเพศจริงหรือเปล่าก็ถ้าไม่จริงล่ะถ้าอย่างนั้นมันเป็นท่าหรือคนใช้ชายที่มีความสุขหน้าอิจฉาที่สุดในโลกอย่าอิจฉาเขาเลยถ้าคุณเป็นอย่างเขาแล้วก็ คุณแทบจะฆ่าตัวตายทีเดียวแต่สางปาก็อยู่ได้โดยไม่อาทรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรฉันยังรักชีวิตอยากจะอยู่ไปให้อายุยืนนานซะอีกด้วยสักวันหนึ่งผมจะแก้ผ้ามันพิสูจน์เขาพูดมาพร้อมด้วยเสียงคำรามคราวนี้สาวผมทองหัวเราะออกมาดังลั่นทําเอาจันผู้หาของอยู่ท้ายสุดกับเกิดเกลียวหน้ากับมามองก็ลองดูแล้วคุณจะรู้ว่าฉันไม่ได้โกหกเลย แล้วทันทีนั้นก็หยุดชะงักกึกลงอย่างกระทันหันเหนือวูบขึ้นไปอย่างยอดปลวกสูงรินทางอันทึบไปด้วยโรคฟ้าชา ย, ยันก็สัมผัสได้กับความผิดปกติบางอย่างนี้ขึ้นพร้อมกันสบัดไรเรฟิลออกจากไหล่อย่างรวดเร็วพพวกที่เดินเข้าแถวเรียงเดียวกันไปเป็นงู ก, กินหางเว้นระยะออกไปไม่มีใครเหลียวมาสนใจกับอาการของสองคนดังท้ายเบื้องหลังซึ่งบบบนี้จ้องตาไม่กระพริ บ, บจับขึ้นไปบนยอดปลูกด้วยอาการเตรียมพร้อม เพราะเหตุที่ว่าเศษดินก้อนขนาดเท่ากับปั้นเล็กๆก้อนหนึ่งกิ่งหล่นลงมาจากยอดตรวกนั้นอย่างผิดธรรมชาติมันเล็กน้อยแทบไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นอันเป็นบ้านเมืองที่อยู่อาศัยของมนุษย์แต่ในดงมหาการที่แวดล้อมอยู่ขณะ น, นี้มันยิ่งกว่าสัญญาณภัยใดๆทั้งสิ้นบางทีอาจเป็นเพราะเสียงหัวเราะลั่นของมาเรียนเมื่อยกยกนี้เองทําให้สิ่งมีชีวิตอันหลบซ่อนอยู่เบื้องหลังในซุ้มรกนั้นไหวตัวเป็นผลให้เศษดิน หลุดล่วงลงมาทั้งสองจรดฝีเท้าแผ่วเบาแยกกันเข้าหาที่มั่นตั้งหลักซึ่งเห็นว่าพอจะยึดได้ใกล้คินที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องนัดแนะหรือกล่าวเตือนกันเลยสัญญาณแห่งการประจันรวมกันหาทางปลอดภัยไว้ก่อนให้แก่ตนเองกลายเป็นสัญชาตญาณไปเสียแล้วเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดซ้าแล้วซ้าอีกเป็นแบบฝึนหัดให้เกิดขึ้นอย่างขึ้นใจ มาเรียบุยบ้ยใบให้เขาสงบรอคอยระวังเหตุการณ์อยู่ที่เดิมอันเป็นก้อนหินใหญ่ขนาดตุ่มสโคกงอกอยู่ริมทางตัวหล่นเองค่อยๆ ย, ย่องอย่างเบากริบจุด37มหแม็กนัมยกขึ้นในจังหวะพร้อมที่จะประทับไร่ปดห้ามไกลอ้อมไปทางฐานโคกด้านขวาของปูดใหญ่เพื่อค้นหาที่มาของต้นเหตุชายยันก็ประทับดับเบิลไรเฟิลพร้อมใจเต้นแรงดุจใจต่อมานั้นเองก่อนที่มาเรียจะเคลื่อนไหวจากที่เดิมไปโดยไม่เกิน19ก็ปรากฏเสียงดังพลึบ น้ำหนักตัวอันมากมายของอะไรชนิดหนึ่งเพ่นจากที่สูงลงยังมาพื้นเบื้องล่างแบบสาวเพ่นวืเข้าไปยึดคนตะแบกใหญ่ด้วยอาการอันรวดเร็วปาดสายฟ้าแลบชายยานันผู้ยืนอยู่อีกมุมหนึง่งก็เห็นป่าปลกทางซีกซ้ายที่ขึ้นเป็นดงไหลลูกพร้อมกับเงาสีดำเขาเหวี่ยงลำกล้องไปทางด้านที่ตาชำเรืองไปเห็นในพิพตานั้นแล้วจุดหน600ในโตก็กำปนาดขึ้นเหมือนฟ้าผ่าท่ามกลางความเงียบสงัด ที่เห็นถนัดที่สุดก็คือกิ่งไม้เล็กปลิวกระจัดกระจายเป็นทางโลกพร้อมกับความปั่นป่วนเหมือนเกิดพายุหมุนขึ้นในป่าโปร่งห่างออกไปราวประมาณ30หลานั้นร่างของไอ้การพยักเผ่นลอยลิ้วขึ้นมาให้เห็นทั้งตัวในลักษณะกระโจนมันพุ่งไปเบื้องหน้าข้ามเหนือพงไม้เตี้ยๆและดูไม่ผิดอะไรกับม้าลูกผสมทิพตาเดียวก็หายวับลงไปในความรกทึบนั่นอีกซึ่งก็ไล่ๆกับที่ลำกล้องซ้ายของเขาคำรามถือก้องซ้อนขึ้นอีกนัดตูมใหญ่ รับผินภัยวันขณะนี้กำลังสาวเท้าพวดๆไปเบื้องหน้าและห่างจากท้ายขบวนประมาณห้าสิบลาสะดุ้งสุดตัวซึ่งก็เป็นอาการเดียวกับทุกคนที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเขาหันหลังกลับเผ่นส่วนทางผ่านหน้าดาวิงและแช่ถาที่ยืนตะลึงไปช่วนหนึ่งในสิบของวินาทีเมื่อชัยยันลั่นนัดที่สองออกไปแล้วก็หักหาง ฟาดลากล้องปืนที่หักลงเพื่อคลายเปอดประจุกเก่าพร้อมทั้งบรรจุใหม่อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้มาเรียก็กระโจนตัดหน้าเขาขึ้นไปเหยียบยืนอยู่บนกองเห็นเบื้องหน้าเสียงจุดสามเจ็ดห้าในมือของหลอนแผทระเบิดสนั่นวันไหวที่ยิบมันเป็นการยิงอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่กลไกลของปืนแบบ โบแ a c ช i ่นจะออามือให้ได้จากมือที่ชำนาญเยี่ยมยอดร่อนยิงออกไปทั้ง5นัดภายในเวลาเพียง4ี่วินาทีแม่สาวไม่เห็นเป้าหมายได้ถนัดเท่ากับชายันแต่ร่อนส่งกระสุนไปตามแนวพงไม้ที่เห็นไหวอยู่อย่างยิงสูงวินาทีที่6 จอมพานก็ล่นเข้ามายัางที่ทั้งสองยืนอยู่ระหว่างที่เขาเบิกตาโพงกวาสายตายอย่างรวดเร็วพยายามค้นหาจุดหมายพวกลูกหาบก็ร้องกันขึ้นเอะอะโวยวายผ่านชีบ้บอกเขาหันขวับไปทางป่าหินซีกซ้ายมือด้านหลังอันเป็นแนวติดต่อกับป่าโพงก็แลเห็นช่วงตะโพกดำสนิทกำลังผ่านแว บ, บไปในแนวก้อนหินเหล่านั้นมันเร็วราวกับปรลอด ระยะที่กระจนหนีแนวลูกปืนของชายันและมาเรียเพียงชั่วพิบตาเดียวเท่านั้นสามารถวกอ้อมไปอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปได้เสียแล้วแลพินเวี่ยงไรเฟิลหันมาทางนั้นยังไม่ทันจะหมุนตัวตามไดถนัดจุด300เวเทอร์บีแมกนัมจากราชสกุลซาวซึ่งยังยืนอยู่ที่เดิมก็แผดแหลมกังวานป่าเสียงหัวกระสุนแรงสุดหวีดเสียสีอากาศแล่นผ่านเลยหัวลพินมาเรียและชยันไปได้ กระทบเข้ากับก้อนหินที่เห็นเป็นเงาดำๆลับๆล่อๆอยู่นั่นแตกเป็นม่านขาวมัวแล้วฉละบเฟี้ยวผ่านเข้าไปในดงไม้ดังสนัน่นปรากฏเสียงคำรามโ h ก สะเทือนลั่นเลื่อนขึ้นเป็นครั้งแรกร่างใหญ่นั้นหมุนกลับพุ่งผ่านพงไม้ระยะสั้นๆเข้าหาแนวหินใหญ่อีกฝากหนึ่งจังหวะ น, นี้เองเชิฐทาและพวกลูกหาจึงมีโอกาสได้ระเบิดกระสุนขึ้นเอ็ดอึ่งประสานกันฟังไม่ได้สับรับพินกระชากมาเรที่กำลังยืนเร้อร่าสารวนในการบรรจุกระสุนชุดใหม่อยู่ ดึงให้นั่งคุกเข่าราบกับพื้นเพื่อหลบแนวกระสุนจากพวกพ้องที่สาดมาจากด้านหลังส่วนชัยยันก็ไวพออดีตนายทหารปืนใหญ่กระจนเข้ากำบังอยู่หลังก้อนหินในขณะที่คนอื่นๆระดมยิงกันเป็นประทัดงานตดกระสุนลูกซองจากใครคนหนึ่งถ้าไม่ใช่จันทก็คงจะเป็นขยินถากยอดหินที่เขาหดหัวหลบอยู่กระจายว่อนถ้าช้าในการเอาตัวรอดกว่านี้เพียงเสี้ยววินาทีเขาก็มีหวังถูกกระสุนปืนพวกเดียวกันเข้าอย่างจังที่สุด มันแผดเสียงคำรามขึ้นอย่างโกรธแค้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังห่างออกไปในป่าหินนั่นและไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้เพราะแนวบังของก้อนหินอันงอกอยู่สูงสูงต่ำๆสลับซับซ้อนระคนไปกับพงไม้เชฐาดารินและกลุ่มพานพื้นเมืองก็วิ่งหือกันเข้ามาถึงบริเวณที่ทั้งสามคนเหมาะปลกชิปดินโดยไม่มีโอกาสจะเงยหัวขึ้นมาได้ขณะที่พวกข้างหลังกำลังยิงกันอย่างดุเดือด โดยที่ยังไม่มีโอกาสจะพูดทาใดกันได้ทั้งสิ้นทุกคนไหวตัวกันอีกครั้งเมื่อเห็นละพินแผ่นลุกขึ้นพุ่งตรงเข้าไปอย่างป่าหินที่เห็นอยู่เบื้องหน้าและได้ยินเสียงคํารามลั่นมานั้นด้วยลักษณะครึ่งเดินครึ่งวิ่งตามละพินไปเร็วแยกกันออกไปเป็นปีกาน้อยมากับพี่เช่ฐถาตะโกนสั่งการเร็วปือ ทั้งหมดแยกกระจายกันออกอย่างรวดเร็วแผ่เป็นหน้ากระดานวิ่งตีโอกเข้าหาแนวหินเบื้องหน้านั้นด้วยเลือดในกายที่เต้นเร่าชัยแยนกระชับปืนที่เพิ่งบรรจุ ก, กระสุนชุดใหม่เสร็จอีกมือหนึง่งกำลังสำรองไว้พร้อมกวดกระชั้นตามหลังพานใหญ่ตามาเรีย ก, ก็วิ่งแยกไปทางด้านซ้ายพร้อมกับพานต่อสูง ข, ของหล่อนเกิดกับจันทร์ห่อแนบตีรัศมีอ้อมหางออกไปอีกในขณะที่เสยบุญคําขยินกับราชาสกุลสองพี่น้องแล่นสกัดไปทางด้านขวาอันนุ่งจากป่าเบื้องหน้าโปรง สมควรทั้งหมดพอจะมองเห็นแนวการเคลื่อนไหวของกันและกันได้สําหรับรับหินนั้นเขาไม่สนใจอะไรอีกทั้งสิ้นตะรุยพูดพวดไลฟ์เฟอร์ถือกระชับแนบตัวอยู่ในระดับเอวแวบเดียวก็หายลับเข้าไปในกลุ่มหินและพงไม้เหล่านั้นครั้นแล้วเมื่อต่างเข้ามาถึงบริเวณต่าหินและยึดที่กำบังสอดสายสายตาค้นหาพร้อมกับปากกระบอกปืนที่จ้องพร้อมความเงียบก็ปกคลุมชั่วขณะ คงได้ยินแต่เสียงหัวใจของตนเองเต้นหลายคนเคลื่อนย้ายตัวเองค่อยๆ ย, ยึดที่กำบังทีละระยะบุกขลึกเข้าไปเป็นลำดับเชิขาดารินแบบนี้ย่องเข้ามาหยุดกินเคียงกันอยู่ในระหว่างซอกหินแคบสองลูกตาแล้งใบไ ม, ไม้ก็จริงแต่ก็รบทึบและเกะกะไปด้วยมุมกำบังต่างๆจากกิ่งก้านของเถาเคลัลยและก้อนหินใหญ่น้อยน้องสาวขยับจะรุดหน้าแต่พี่ชายเหนียวไหลเอาไว้ตาลบมากคอยอยู่ตรงนี้ดีกว่า อย่ายิงจนกว่าจะเห็นตัวชัดไม่งั้นอาจถูกพวกเรากันเองเข้าเชษฐากระซิบดารินชนะักนิ่งอยู่กับที่เสรยรำกล้องไลเฟอร์ประจำมือขึ้นสูง45องศาจากระดับพื้นกายของหล่อมสั่นน้อยๆด้วยความตื่นเต้นตาเบิกกว้างไม่กระพริบ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 เชิดาเห็นสถานการณ์แล้วก็เริ่มกังวลห น, นักเขาไม่สควรสั่งให้ทุกคนตามหลังละพินเข้ามาเลยจะสั่งให้ถอยกลับก็ไม่มีโอกาสเสแล้วในนาทีขับขันที่สุดเช่นนี้ต่างฝ่ายต่างได้แต่รอคอยฟังเสียงปืนที่จะลั่นขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์คื่นหน้าด้วยใจอันเต้นไม่เป็นจังหวะต่อมาจะมีเสียงกู่ขึ้นเบาๆดังมาจากใจกลางป่าหินแล้วก็มีเสียงกูต่ตอบกันไปมารอบด้านไปหมดไม่ช้าไม่นานร่างของพานใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นก่อน เขาเดินกลับออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผิดหวังเดินกู่มาไม่ขาดตาเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้พวกพ้องรู้โดยไม่เข้าใจผิดจากนั้นอีกหลายต่อหลายคนก็ค่อยๆโผล่กันออกมาคนละด้านแล้วมารวมกลุ่มคบจํานวนอยู่ที่เรียงปรากทางอันเป็นตําแหน่งที่กลุ่มกระสุนปืนที่ช่วยกันระดมยิงในครั้งแรกก้อนหินก้อนนั้นแตกเป็นรอยพุนไปหมดใช้ฐานนับจํานวนจนครบไม่มีใครขาดหายไปเป็นยังไงบ้างก็าถามขึ้นอย่างร้อนรนทานใหญ่ ยกมือขึ้นป้ายวินฝีปากอย่างเดือดดาลใจแล้วสปัดเเงื่อออกไปหมดหวังมันได้ป่าหินรกเต็มไปด้วยเห็นนี่กำบังไว้หลบไปซะอย่างฉลาดที่สุดดูคล้ายจะร่อให้ตามมาเหมือนกันเพราะทิ้งท้ายให้เห็นอยู่แว บ, บๆเรากับจะเล่นเอาเธอเจ้าล่อไม่ได้จังหวะเหมาะๆผมก็เลยไม่ได้ยิงระหว่างซอกโค่หินตอนหนึ่งมันล่อหน้าออกมามองผมเห็นชัดดีเดียวพอยกปืนขึ้นเท่านั้นก็หลบบู้